โยมเคยปฏิบัติโน้นหรเปล่านะยังเลยนะนะน เ, รเริ่มฝึกก็ถือว่าทำแล้วเริ่มฝึกตามแบบเดิมที่เริ่มฝึกมาทํา อ, อยู่แต่ก็ ไ, ไม่ขาบไปแน่นอนขึ้นต้นนี้เป็นัจหมดเพราะว่าทีกที แบบฝึกสมาธิเขาพูธเจ้าจะมีกรมใหญ่ในสี่สิบแปล้วก็มหาดิพานธสกิณานี่ที่ถามนี่เคยอจะได้ทรบาบมาจากแบบไหนนะคือสี่สิสสแบแี้กับผลต้องการเหมือนกันคือฝึกสมาธินี่พระพุทธเจ้าสวางวาตงสี่สิสแบแปดว่าท่านแบ่งเจอีกของคนใน6อย่าง เจริญเครื่อคนเราต้องมีราคะเจริญโทสะเจริญโมหะจริญพิจตเจริญศรัทธาจริญพุทธาจริญนีท่านแบ่งไว้สี่สิบมีคำภาษาสี่สิบก็แบ่งไว้เป็นหมวดสําหรับคนที่มีราคะจริตคําว่าหนักอ้จริญส่ดนมากเรามีด้วยกันเหมือนเหมือนกันบดทั้งหกฮะแต่ว่าอันไหนเยะหนักหมดกันถ้าอย่างไหนหนักปราบอย่านก่อนถ้าราคะเจริตหนัก คล้ายๆกรรมฐานสิเอย่างคือว่าสิอ็ดอย่างไม่ให้เรืองตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนะจะมีอสุจกรรมฐานสิอย่างกับกายหนาตาทุกสิ่อหนึ่งมีสำหรับการอารมณ์ถ้าหากว่าหนักด้านโพสัจจะิตริกก็ใช้กรรมฐานแปอย่างมีพรมมีอันมีสและก็กระสินีสีคือโรยไปกระสินกระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวทั้งแปดอย่างไม่ใช่เรื่องตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าจิตหนักไปด้านมิตรเจร Turkey, ิญจะใช้กรรมฐานมิตรเจริญกับโมหะจริตให้กรรมฐานอย่างเดียวคือกาหนดรู้ลงให้ใจเขาออกเพ่ลาภปังพิเศที่โบอกจีิงนะไอ้ตัวนี้เราถูกพุ้งสร้างอยู่เป็นทุกคนนะ่ไหมถ้าหากว่าจิตหนักไปด้านสัทธาเจริตใช้ใช้กรรมฐานหกอย่างรัตตสุิีหกได้แก่พุทธารุสติสัมมานุตติสัจธาลุตติสีราลุติเทวตารุสติ จาระคานสติถ้าจิตหนักเป็นด้านพุทธะจริตที่ความฉลาดบางวันมันฉลาดนะบางวันมันก็โง mm ่บาทีเช้าฉลาดบ่ายโง่็มีนี้ไม่ยมนี่อะไรไมออกแต่คนอื่นมี่ไม่มีจาระตมามีบ่อยถ้าเวลาไหนจิตมันโงเคยความฉลาดใช้กรรมฐานสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือมรณานุสติกอาริยบุรุษญาติแต่ถ้ากรรมฐานสี กับอุปสมานุสกิจรวมแล้วก็สามสิบใน 30. สามสิบแลอีกสิบอย่างที่ก็สิ้นีกหกกับปรุปิสีสหล้อีกสิอย่างที่ผ่านนี่ถือว่าเป็นกรรมฐานกลางใช้ได้จริงนี่ว่ากรบเพื่สุขารุสกโกนการขึินต้นขอการจะิปกรรมฐานทั้งหมดจะต้องขึ้นเวลานาฬานุสกิเหมือนกันหมดพีย่ยม โยมฝึกไปแล้วถูกต้องถ้าม่ฝึกถูกก็ต้องบอกอะไรอีกโยมนี้ต้องบอกอีกไหม อ, อ๋อเป็นธรรมดายโยมถ้าโยจามจะไม่พู่งสร้างเลยโยมต้องเป็นาาสารังแย่มากที่ว่าการพุ่งสร้างในโยมถ้านาคาไมียังมีอยู่เลย อรหัตมัตยังมีพุ่งสั่นหรือว่าในสัญญสิทิศรัทธาวิธีวิชาศีลปิบัติรามาตยสามอย่างนี้เป็นท่าตัดกจะเป็นพระโสดาบัในสิงหามีถ้าจะเป็นพระนาคามีต้องตัดเพื่อบสองกษามันทากขปติานี่นาคามีนะถ้าจะเป็นพระราหันอยู่ในเกสรหัตมัตยก็ต้องตัด รูปราคาคือหลงในรูปฌานอรูปราชาหลงในรูปฌานต้องตายมานะการผิดเจอตุตันอุทะจ่าตัวฟุ้งซ่านโยนนะอรตมักจะมีฟุ้งซ่านอยู่เลยไม่ได้อริชาถ้าโยนจะไม่ฟุ้งเลยโยนก็ไปอรหผลแกนี่อาจจะมาก็สูบกระได้ เ, <laughs> เรื่องฟุ้งซ่านตรงมีนะโยนนะ คือมันต้องมีการเรียกนกรรมาฐานตอนต้นเขาต้องถือว่าถ้าเราทําสมาธิจิตไปครึ่งชั่วโมงในเวลาครึ่งชั่วโมงนะั้นถ้าจิตมีรมดีว่างใจกิเลสเองสามนาทีเขาจะมีจังถือว่าเราชนะสามนาทีนะเขาพี่เอาอย่านี่นะ <c oughs> ไม่ใช่ว่านั่งครึ่งชั่วโมงแล้วได้ครึ่งชั่วโมงถ้าว่าทําขึ่งชั่วโมงจิตทรงเป็นสมาธิเต็มครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นเรื่องฝ้าหลังแนละ้ว ไม่ใช่อัตม atically ก็ไม่อัตผเพราะว่าไม่มีลงพู่สั้นเลยถนะ้าโยมทราบซะแบบนี้ก็คงจะเบาใจนะเ <c oughs> บาใจว่าเอ้เราจะมาพุ่งสงั้นช่วบ้านเไม่พุ่งดีไม่ดีใช่ว่านเขาพุ่งมากกว่เราก็ไม่บอกเหรอเห็นไหมแต่แถวเนี้ียเล็กๆๆเงินมนะันต่อพุ่งเหมือนกันนะแต่ว่าต่อต่อไปอาการพุ่งมันจะต่างกัน ถ้าจิตอยู่ในขั้นของคณาจารสมาธิหรือุปจารสมาธิมันอาจจะพุ่งน้อมบรรได้กับอุปสนมากกว่าอุปสถ้าจิตอยู่ในขั้นของการสงฌานบางครั้งก็จิตจะน้อมบรรไดกับอุศลบ้างและอุปสมบ้างถ้าจิตก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจนตะวสูดาสีทาทานาชาอรลลัตธรรมในด้านนี้ท่านจะพุ่งมาได้กับอุปสนมากกว่า อาุโสนไม่มีแต่ว่าไม่กลุ่ทางบางครั้งเกิดขึ้นมาหมายความว่าติดตั้งที่แรกมุ่งอรรถผลพอเป็นพอเป็นว่านาชามีผลพอเข้าอรรถมรรคทาไปต่อไปไม่มเรื่องเลยทักแค่นี้ก็ได้ในวันวันจริงเราตายจากความมีคนเป็นเทวดาหรือพรหมก็ตีตัวต่อไปที่พันอย่างพอได้คนะงแบบนี้นะบางครัง้งจะมีขึ้น ม, มาะ แต่ก็ถือว่าที่โยนถือว่าฟุ้งเขาไม่ผิดถ้า ย, ยมไม่ฟุ้งเลยผิดใช่ไมถ้าไม่ฟุ้งเลยแตลอลจะผลไี่โยน้องเครื่งองนี้ไม่ได้อของทองอเหลืองแล้วเอ้ยบ้านโยนดีไหนเนี่ยแล้วทางานอะไรแคขายแคขายก็ดีมากมีเงิน ห, งหน้าเลยอชอบใจอยากจะคุดดยด้วย สงสัย <c oughs> ไม่ทราบว่าเป็นไงพระลงมาถิงหน้าถึ่ใหญ่จะคุยด้วยเมื่อเม่สาวว่าชาตจะเดินสมาธิก็ถูกพอเดินมาสนถ้อารมณ์แบบนี้ไม่อยากจะคุยด้วยรว่าวา <c oughs> นี่ตกขเป็นธรรมดาอะไรอีโย่ที่จบก็กยังดมาก้คทีจิตจะมีอะไรที่ ยอาไม่คิดยอมต้องฝนะก้ใช่หคิดถูกแก้อัดดนยอมบินไม <c oughs> ใครใครจะไม่คิดยอมต้องคิดความกัมากเพราะนั่นธรรมดายมมีกันวลมากคิดมากคุอาจารย์เดิมทุกคน น, น, ค น, าานี้แนะนามาให้ใค้อนาคตสี่เนี่ยถูกต้องเป็นที่เลยตรงเป้าหมายเลยนะ อ น, นาปานุสติเป็นกรมัานต้องกันต่อสู้วความพุ่งส่านีลยเพราเป็นกรมฐานละเอียดถ้าถือว่าเป็นกรมฐานใหญ่ทั้งหมดมมมที่ทบอกยว่เมื่อกี้ว่ากรมฐ า, านหมวดใหญ่มีสี่สิแต่ว่าทั้งสี่สินี่ถ้าหา ก, กัตถุเจริญน่าต้องขึ้นอนาปาก่สติเสมอ ถ้าไมา่ขึ้เนื้อนาปาก่อนยอมขายก็ย่ตั้งตัวไม่ได้เลยต้องมอีอนาปานำนะก็ไม่ใช่สองท่านที่แนะนำโยมมาก่อนก็ได้รับถูกต้องแล้วมนะัมีอะไรไหมก็ต้องต้องแนะนำให้รักษาลงเดินไป ว่าทาถูกเลยแนะนําต่อไปก็้ิดอยู่ดี <laughs> เมื่อกนะําดีได้ไนะว่าที่ส่งอารมณ์มาแล้วถูกเข้าตรงตรงเป้าหมายพอดี ยังอีกจบก็ได้ยังไม่ได้ไล่เอยยังไม่มีใครว่าคุยดิเนี่ยหาเพื่อนคุยไม่ได้เราไปเน้นเรืยย่องโยมมาคุยเอ่โยมหญิงไข่ ค, ใใคขอปลาไม่เป็นไรละใครก็อยากคุยก็คุยมาเองถ้าจะแนะนําอีกก็มีที่ว่าก่อนที่โยมจะลงหลูบลู่จะ ภาวนา ใ, นใดๆนะให้ใช้อรมณิพัานนาขึ้นต้นกันสักหน่อยอรมณิพัานนาจริงๆก็ได้จะเอาแบบย่อแบบไร้รับษณญญานที่พระพุทธเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแอนด์จังหาความเที่ยงไม่ได้นะทุกขังถ้าเราเกาะมันเกิดไปก็มีลมเป็นทุกข์และทุกอย่างในโลกแอนดนังตาคือมลายตัตวหมด ก็ต้องคิดหาความจริงว่าคนก็ดีใส่ก็ดีวัตถุ ก, ก็ดีในโลกนี้ไม่มีอะไรทรงตัวใช่ไมหมมาเป็นเด็กเด็กเล็ก so แล้วก็มาเป็นเด็กใหญ่ถ้ามาเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้ามาไปวัยบกลางคนแก่แล้จนตายมีพูดถึงสภาพของร่างกายในเมื่อมันก่อนจะแก่มันจะมีการป่วยไข้สบายก็มาแสบร่างกายรุ่มคนไม่ต้องการมีการป่วยไข้มันก็จะป่วยไข้ คนทีมาได้ลงทรัพย์ถิ่นก็มีการส่งตัวอย่างโยมเนี่ยพิจนารณาง่ายซื้อของเข้ามาเป็นบ้านเป็นห้องเยอะของหมดแล้วใช่ไหมขายไปหมดกระตังเ ข, งขาขายไปหมดไปหมดกระตังก็เยอะสิเ ย, ยเอะไหมกระตังมากไปซื้อขอ ง, ของขหม่ยกระตังหายไปแล้วของมาแทนไม่มีอะไรส่งตัวเลยใช่ล้วหมดไปหมดมานีเป็นสภาพ ต่อมาสัตว์ตวสักวัตถุก็เช่นเดียวกันก็ต้องคิดว่าการเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาพบกับความไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงเราจะต้องมายึดถือมันเที่ยงและเมื่อตายมันมันแล้วตอ้องคิดว่าสภาพยายอย่างนี้มันมีการเสือ่อมมันไม่มีการสู ง, สงตัวถ้าสักวันห น, นึ่งหน้ามันจสลายตัวไปเราจะไม่เสียใจไอะเมื่อขอเนี่ยมันสูญหายไปแล้เมื่อเสื่อมไป เราก็จะไม่ดีใจเกินไปเมื่อได้ได้ของนั่นมาใช่ไหมพร้อมรับอาการทุกอย่างเมื่อมีร่างกายมันได้างายมันดีปกติวันนี้โยมคุยไปคุยโยมต้องพร้อมนักก็อีกสักครู่หนึ่งข้างหน้ามันจะหิวใช่ไหมเวลานี้อิ่มใช่ไ้มโยมอิ่มหิวยังยังไม่หิวต้องพร้องมวัเดียวมันจะหิวนะ ถ้าไม่คิดว่ามันจะหิวแล้วเกิดหิวมาลําบากใช่ไหมถ้ามันหิวขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเป็นของธรรม ด, ดาไปถึงว่าระมันจะต้องคำสั่งตัวมันใช่มแล้วเมื่อมันอิ่มแล้วก็คิดว่ามันจะอดไม่หิวต่อข้างหนา้าดังนั้นความหิวเกิดขึ้นมันก็ไม่หนักใจยอมรับเองใช่ไหมเมื่อร่างกายเรายังดีๆอยู่อากาศเริ่มลงจัดขึ้นมาแล้ว แล้วมาคุยไม่เข้ามาคุยลเนี่ยเอออยากคุยเรยกกเลยเออโชคดีจังหวัดไหนตะกุนปนดอคปนดอนน้ำขึ้นขึ้นไปถึงดิดอนนี่ไม่ไม่ทาบนี่อ๋อเลยอ๋้าชอบอยากไเีวลยอเที่ยวมาหาผมทบ้านอ๋อนั่นเลยทำมาคุยกนมล่ะคุยกนก็ได้ ดอนอุดอนอุลุ่มพูดได้ใ้งไัมจะรวมความว่าแม้แต่รมณ์เราก็ต้องคิดว่ามันไม่มีการส่งตัวเลยเย็นหน้าคนเขายิ้มคือเย็นนี้เขายิ้มตลอดวันสักเวลาหนึ่งเขาอาจจะมีรมไม่ดีหน้าเฟงแล้วก็ซ้อรับนับเสืนจะไม่โดดชิวเล่นธรร ม, ร, ธรมดานี่กดธรรมด า, า, านี่โยมมีปรัชนาญาณนี่ไม่มีนะไรมาก พรจะพุทธเจ้าพย้ยอมนับทั้งถึกดธรรมธรรมดาด้วยความเป็นจริงถ้ามันยอมนับมาสมมูรณ์แล้วลมมันไม่ติดทุกข์่ะพิจารณาตามนี้พอตามนี้มันจะไปได้พอใจเท่าไรก็ต้องภาวนาไปเลยภาวนาได้จับลมไม่ใจก็ออกจะภาวนาไปไหก็